ครวันนี้เป็นการตอบคำถามปัญหานะครับแต่เดี๋ยวก่อนผมบอกนั่นสักหน่อยมันนั่นมันพ่อถามว่าอนันตจักรวาลมาจากที่ไหนที่นั้ครับ <c oughs> จําได้แล้วอยู่ในวิสุทธิมัง น, นะครับตอนที่พรนนาพุทธคุณบอว่าโล ก, กวีดูนะครับ <c oughs> ผู้รู้แจ้งโลกนะนะครับไปดูได้นะสี่วิสุทธิมัง น, นะครับตอนที่พูดถามสตินะในสารบันี้เกียวพูดถามสตินะครับ ท่านจะอธิบายมันจะระบบใช่ไหมทีวีโซก็เพราะาวา่าตั้งแต่อาณาฐานลงไปใช่ไหมครับอะไรตรงอธิบานยนะครับคำว่าโลกวิถีผู้รู้แจ้งโลกนะครับท่านในทิมังแล้วก็ในดีกาที่อธิบายในทิมัมงด้วยนะครับดึงขียงไปสองทีจะพูดถึงว่าอาการไม่มีที่สิ้งสุดใช่ไหมจะกวาโลกกระท่าซึ่งตั้งอยู่ในอากาศเนี่ยก็ไม่มีที่สิ้งสุดไปด้วยครับและหมู่สัตว์ที่ตั้งในโลกกระท่าน่ะ ก็ไม่มีที่สิ้นสุดไปด้วยเพราะเรากทานไม่มีที่สิ้นสุดนะครับทีนี้พุทธยาณนะครับก็ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันไปดูในที่นั้นนะครับได้จริงจริงวสุทธิมัศึกษามากนะุ้เสียนะมีใสอนเรื่องศามาจริงๆครับข่ครับความคิดดีก็ได้ครับของอาจาชัวัลนะต่ออันนี้อ่าแคนี้ไหน ต่ไปก็ไม่รอช้ า, าถามปัญหาเลยครับดีกว่าดูไปเออมีตรงนี้ใบข้อสอบหายในะยุ่งเลยยังไม่หายนะยังอยู่ถามเสียคีว่านแหละแล้วก็อธิบายนักธรรมขันนะครับคําถามดูแล้วนี่ไม่ยากเท่าไหร่นครับซึ่งสามกษาตอบได้สบายในเสีคียว่นไม่ยากถามเลยว่าข้อหนึ่งเนี่ยการนุ่มและการขม ให้ hey, เป็นปริมณฑลนั้นเป็นอย่างไรจงอธิบายมาครับอาโน้ตเหมือนก็ได้ครับครับติดนือครับทุกคนแป้นนิ้วนะครับหรือเทียมประมาณนะี้นะครึ่งแข่ ง, ง, ข, ง ข, ขึ้นขั้นสองนะครับเชื่อว่าเป็นปริมณฑลใช่ไหมครับแล้วก็ต้องไม่หม่มไม่ห่มแบบอะไรนะ แบบคลราว่าแบบไรัปาเออมีอาการต่างๆนะครับการห่มที่มันสมควรประการต่างๆนนะต้องมีครับอาการนุนเป็นอาการนุนส่วนข้างผมก็เป็นการห่มผมเป็นปริมณทนเป็นยังไงครับอ๋ออันนี้ในวัทำไมอนอยู่ในวัดอนกักซี่วครับนะแล้วก็ กา้มุมชายต่อชายครับชายข้างหน้าหลังใช่ไหมเหมือนกันนะครับต้องครับถูกต้องแล้วก็ม่านหุ่มที่มันสมควรใช่ไหมมีมีการหล่อสายนะครับมีเลือดหน้าเลือดหลังนุ่มคลรว่าเป็นต้องนะครับห่มคลรว่าเต้นเป็นต้องนะครับจองอธิบายอาณาบัตของสิษขาบทเกี่ยวกับการลุ่งห่มไม่เรียบร้อยอย่างต่อไปนี้ให้อธิบายมานะ ไม่จงใจเป็นยังไงครับคือเมื่อใดจงใจทําให้มันเอ้ยยัไงเมื่อใดจงใจทําให้มันคือเป็นไม่เป็นปริมณฑลค่ะปริมันเรดดวนหรือวันสนงจิตไปที่อื่นเนี้ยอ๋อของพอของแม่คือเราตั้งใจแล้วใช่ไหมตั้งใจตั้งใจจะผมให้เรียบร้อยใช่ไหมครับปริมันถึงตาบ้างค่ะแต่ถือว่าไม่จงใจครับ ส่วนเผอสติเผลอสติครับแล้วก็ไม่รู้นี่ครี่บอธิบายเผสติก่อนถ้าให้อธิบานะพ่อเอสติคือกำลังคมนะคิดไปที่อื่นใสยใจไปที่อื่นสมมติจะไปทําท้าแล้วก็ใใจที่สุนทรไปแล้วไม่ได้จงใจ้ไปมอนนั้นอไม่เข้าเพราะไม่จงใจนะคือเผลอสตินะ อตตัวก็ผมไปด้วยใจก็ส่งไปที่นี่ไหมครับเผยสติผมไปแบบแม่เรียบร้อยนะนะครับอัต้องนะครับไม่รู้เขาไม่รู้ไม่รู้ว่าแนัไม่รมู้ไม่รู้นี่อันนี้คือเรียนอะไรอย่างกันนี่เรียนอะไรอย่างเรียนแล้ว่ครับเรียนแล้ว่แ่ื้จริงไันแบบนี้เรียนมาแบนี้ก็นี้ครับครับ ยังไม่รู้ว่าห่มนุ่มผมเป็นปริมาณทนเป็นยังไงใช่ไหมครับตัวข้อแท่งอย่างนี้ก็ทําไปถูกต้องนะครับอาภาคนะฮอาภาคแบบเออเ ไ, ม, ไม่สะดวกนะอาภาคทำอะไรก็ไม่รู้อะไรอาาันนี้ไมอย่างนะเอาอาภาคกันเลยกันที่นั่นยกตัวอย่างอะไรนะมีแผลที่แคร่งอะไรใช่ไหมครับมันเหยียจะต้องให้สะบงสูงขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวมีไปโดนแผลนะ หรือว่าผมให้มันย้อนลงไปหน่อยก็จะปิดนะครับหรือว่าคนที่มีอะไรนะมีแค่ล่ำใช่ไหมครับหรือว่ารีดอย่างนี้นะครับสามารถผมให้ย้อนลงไปมากกว่านั้นได้เป็นต้นนะแล้วก็มีอันตรายครับมีอันตรายอะไรครับตางอะต่างอะไรครับ่างอะไ่าอะถึงนีผมจะได้อันนี้ครับต่าตตัดล้าไไงเี้ครับ่าวครับรีบวิ่งจะย่ครับ ต้องคนระับต้องว่าฮคนี้ง่าย น, นั่ไหนเพราะไม่อยางนะครับสามที่สูบพูดเสียงเบาแค่ไหนชื่อว่าเป็นผู้มีเสียงเบาไปหรือว่านั่นในระเบว่าบ้านนะครับเบ า, าแค่ไห น, นคืออะไรข้ออะไรในที่เบาเช่นใ้นิยมตัวอย่างมีคนนั่กับสาคนครับเอาว่าอาว่าเรือเนี่ยเรือกี่สองครับ สิบสองสองใช่ไหมครับคุณทรใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่องสองครับถูกต้องครับียนสิบสองอใช่ไมครับแล้วก็ยรแล้วก็มีอะไรครับมีตูโยกลาปุยกับลูกเอามันมีกี่ลูกเอามีกี่ลูกครับมีสามลูกครับสาลูกครับนึ่งอยู่มุมนะลูกหนึ่งใช่ไครับอยู่ตรงกลาง ลูกกลางก็ได้ยินจากลูกข้งมาครับอกาถูกต้องนะครับมีสามรูกด้วยกันนะข้ารูปตีตรงข้างคุยกับลูกตรงการได้ยินแต่ว่าลูกนี้ได้ยินแต่ไม่รู้ฟังคุณครับอันนี้ชื่อว่าบอกรถ้าลูกนี้ได้ยินด้วยนายว่าดังนั้นครับและเวลาไหนบ้างที่สามารถพูดเสียงดังในระแวกบ้านได้ครับก็สแสดงทาง่าจะใครับเวลาสแสดงทํานะครับ แสดงธรรมสวดรประลิทอย่างนี้ใช่ไหมครับข้อสุดท้ายต่อไปสี่นะครับการรับอาหารพอเสมอกับข้าวสุกเห็นไ้มเพราะว่ารับแกงนะไอ้สาวคนนั้นน่ะเราเราจะรับแกงพอเสมอข้าวสุกเนี่ยเป็นอย่างไรจอนอธิบายมาต้องอธิบายแต่เพราะว่าแกงก่อนมันแกงอะไรแกงข้าวใช่ไหมครับแล้วที่บอกว่ารับ อพอสมมติข้าวสุก ม, มันแค่ไหนกี่ส่วนต้อกี่สว่วนคะขา้ขาวข้าวข้าวสอสว่วนแกงหนึ่งส่วนโอมันไปบอกข้าวสองส่วนแกงหนึ่งสว่วนถูกไหมครับสามสี่ทำข้าวสามีทำข้าวยางพะยช่องบอกสามต่อหนึ่งนะัก็ยางอีใกใช่แล้วใช่แนะล้ว สี่ต่อหนึ่งกสี่ต่อหนึ่งนะคถูกต้องนะครับในอย่างนั้วอะไรอะไรที่คือหนึ่งอะข้าวหรือว่ากับกับข้าวนะครับต้องครับมใช่ว่าข้าวหนึ่งส่วนกางสี่กินิ้ัเอาวปละก็แบบจับจับเลยข้าวผอย่างนั้นแหละข้าวสี่ส่วนใช่ไหมแกงถูนวี่หนึ่งนนะครับ เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งส่วนห้าเองครับต่อไปนะครับแล้วก็มีอานามบัตรอย่างไรบ้างครับข้อรับข้าสว ส, ส ม, ม, ออมือิของฝั่มารมีอาณาบอางาณบัตรที่พิเศษขึ้นมานะท่าธรรมดาก็ไม่ต้องเอาละอ่าข้ามิกนจริตอะามไม่ต้องเอาแลครับมันคืออานาบัตรพิเศษขึ้นมามครับอานามบัตรพิเศษสักสามข้อครับแค่สามข้อยอนะ นะครับใช่ใช่ไป ร, รับขอ ง, งโยโมปวานาใช่นะครับข้าวโพด น, น ะ, นะะครับรับแกงถั่วโยมปวนาได้ครับโอ้พระพ่อครับญาติครับรับของญาตครับข้าวปลาเก็มแั้วไหมครับเนี่ยอีกข้อนี่อีขอ้ อ, ขอเดียว รับแกงทัวเนี่ของยงฟนาหรือว่าของญาติมาด้วยปัจจัยของตัวข่าวได้มาด้วยปัจจัยหรืว่าด้วยทรัพของตนใช่ัหมครับข่าเป็นอาบัติไหครับที่าาพิาาาททเพข้ามาถึงต้องนะครับต่อไปอ่าการพูดทั้งที่มีคําข้าอยู่ในปากเอาแค่ไหนที่ทําให้ต้องอาบัติครับอ เต็นปากพูดแล้ฟังก็ดูเรื่องอ๋องั้นเรากำลังคิวเต็นปากครับถ้าเกิดเต้นอะไรเต้นคนลไม้พอคุยกันได้ได้พูดกันดเื่อได้ครับคนลไม้เน่ยอืครับเต็มปากเนี่ยถูกต้องนะถูกต้องนะก็คือมีคาพูดคาข้างในปากใช่ไหมและถําพูดไปแล้วคาพูดมันจะขาดชั่ววูไปใ้่ไหมครับอันนั้นไม่ได้นะ แต่ถว่าที่ได้ยกตัวอย่างมีแค่ชิ้นสมองอะไรในปากใช่ไหมครับ <c oughs> คำพู่ก็ไม่ขาดสายกันนะียังพูดได้ธรรมดาอย่านี้นะครับอันนั้นก็เป็นไรใช่ไหมครับไมเป็นไรนะถูกต้องนะครับอาหารอะไรบ้างที่สามารถฉันกัดคําได้าารไรคดาา ร, รับว่าไม่ฉันกัดคาข้าวใช่ไหมและอะไรบ้างที่สา ม, มารถฉันกัดได้แ<ไ>ป้งขนมเ <ใน S 2> ค, คี้ยวนครับ ก็าผลไม้พวกผังนะครับถูกต้องนะถูกต้องหนูว่าไม่ยากสระหรือพืชสันผังนี่ก็เหมือนการอยู่ในผั่งนะครับต่อไปนะครับมือเพื้อนอามิตรนะครับจับแก้วน้ำทำไมมือเพื่อนใส่ฆ่าเพื่ออะไรนะครับแล้วไปจับแก้วน้ําทําไม่ต้องอาบัดก็มีไม่ต้องอาบัดก็มีเป็นอย่างไรจงบอกมาครับครับครับ ไอ้ข้างหลังต่อมั่ต้องานบตรเพราะเ่นับเทีวนานครับโดยไพิจารณาว่าแล้วก็ไม่ต้องงานบัตเพราะว่าจับดี๋ยเป็นวลาที่อ๋อครับถ้าคิดว่าดีแล้วก็จะไปล้างเองยี่วิชาอย่างนี้ถึงไปจักก็ไม่ต้องงาบัตครับแต่ถ้าไม่ได้คิดอย่างนี้ครับก็เป็นอาบัตะครับถูกต้องใช่ไหมครับนี่ทุกกฎครับในเซี่ยงวันทุกกดทุกห้องีแนะครับ ตั้งใจอย่างนั้นก่อนนะว่าดีแล้วก็จะเอาไปล้วหรือว่าใช้คนอื่นล้างให้ก็ได้นะครับอืต่อไปนะครับการเทน้ําล้างบาด ท, ที่มีมนรณะแต่เท่าโควชนะอะไรนะในระแวกบ้านนะครับเราจะทําอย่างไรจึงจะไม่ต้องอาบาัดข้อหนึ่ง อ, อย่างแรกให้โยเกิไปล้างบาดให้เลยเราสบายล้วไม่ได้เทองต่อคือเปลี่ย เทใส่ในภาชนะรองรับเอาเทไม่ข้ามใส่ในกระถนเป็นต้นใช่ไหมครับใส่ในกระถนมนะครับอันนี้อะไรครับขี้่ย้ข่ายแหละไปเลยที่ไหมับแล้วก็ไปเททิ้งได้น้ำแหละี่เยอะเป็นน้าไปเลยนะครับอาไนครับอะไรนะทรได้ได้มเข้าวขี้ข่ายแหละเขาไม่มีเครื่องปั่นให้หลังตอนนั้นอะ <c oughs> <c oughs> ทาเครื่องปั่นได้ให้โยงเก็บพลางให้ดีกว่าหวาจะไปหาเ่อนครับงั้นอีกข้อน่ครับก็นี่ครับเวานข้าวครับหวานข้าวจากหาคใส่าชนะันก็ได้อาจะหอมใส่กระถิ่นชู้ก็น่าจมีควใส่กระิ่ชู้ใส่ใบตองอะไรก็แล้แต่แล้วเอากลับมาใส่ถุงยางครับ เอากลับมาทิ้งที่วัดอีกหรือว่าทิ้งนอกบ้าก็ได้ครับถูกต้องครับแล้วก็ล้างแต้มบาตที่เหลือถูกต้องครับถูกต้อ้าเรียกว่าซาแต่ไม่ได้ข้าวออกมาใช่ไหมหรือว่าเลือแต่ไม่ได้ข้าวแล้วก็ล้างบาตรไปอย่าเงี้ยต้องนะครับต่อไปนะครับที่สุยืนอยู่ครับแสดงธรรมที่เป็นภาษาบาลีด้วยนะครับบุคคลไม่เป็นไข้นั่งฟังอยู่ แต่พิสูจไม่ต้องอนบัติครับเป็นอย่างไรจงอธิบายมาอลุ่เคนที่เลือกแต่งกลุ่มคนที่เป็นใม่เป็นไข้นั่งอยู่นี่สามต่อมาที่ขอดู้แล้วคื่อตามเพื่อลองฟูที่ยืนอยู่ที่ลุกที่ยืนอยู่ที่ลุกบิดหน้าเป็นอาจารย์อพื่อสอนถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้ได้นายหนึ่ง ยังได้อีกแบบหนึ่งครับอ๋ออันนี้ไม่ได้อันนั้นมันเป็นคนละข้อเหอกี่ยวแสดงคาแก่ผู้หญิงใช่ไหมถ้าเขาถามแสดงได้อันนี้ไม่ใช่นะมานี่เม่อกี้เราบอกเขานั่งอยู่เนี่เขาไม่ได้ปวดไม่ได้ไายด้วยยังมีอีกในหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งนะ เคยบอกเคยบอกเมื่อไหร่ฟังคงถามให้ดีนะบอกว่าพิสูจยืนอยู่สดแสดงคำนี่เป็นภาษาบาลีบุคคลไม่เป็นใข่นั่งฟังอยู่นะครับแต่พิสูจไม่ต้องอาบัติเนี่ยเป็นอย่างไรจงอธิบายมนะ า, ยา ใ, ยนะใช่ใช่ใช่ใ ส, ส่ใจว่แสดงกับอีกคนหนึ่งที่เขายืนอยู่นะครับถึงต้องนะครับ อ, อันนี้นะเป็นอย่างนี้นะเราสา ม, มารถทำได้ในกรณี ที่จำเป็นปจะต้องไปให้พรในบางถิ่นใช่ไหมครับซึ่งเด็กรี่งไม่ได้คุยให้ใครฟังไม่ได้อย่างนี้นะแล้วก็ใส่ใจว่าให้ส่วนให้แก่พระที่ข้างฟังนะครับทําใจอย่างนี้นะท่านสจะรู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวนะครับทีนี้ถ้ายกตัวอย่างว่าที่อาจารย์นะถามปัญหากระลุ้มเสร็จใช่ไหมท่านจะตอบไปด้วยใสใจว่าจะพูดให้อีกรุ่มที่ผู้ท่านฟังได้นะครับนะได้าเลยครับ <c oughs> ต่อไปนะครับอนี้เสียเทียวนี่หมดให้ เลืออแถวปัจรุระปัสสาว ง, ง่ายอยู่แล้วนะผมไม่ได้ถามแล้วนะครับถามมาถึงอธิกรเลยอธิกรมีสี่อย่างอะไรบ้างจงบอกมาวิาอธิกรณ์อธิกรณ์ธิกรหายประนนึ่งครับายอัน่ง แล้วไปแล้แลแลกียรามน้อคนครับิกรแค่สี่นะครับไมร <c oughs> อเช่องันขึ้นครับกันละข้อสองข้อตอนนีไ้ได้สามแล้วนะวิวาหาอาปตตาแล้วก็กิจจาครับ <c oughs> อีกข้อเดียวครับ วิ บ, บัติ cool <c oughs> ท<า> <supplements> ีกรอาปัตตาทีก่อวิบตาวิบิกอาปัตตาทิกอิจารณ์ทกนว่าที่ก่อนนี่ยากนะเนี่ยเราเรานึกความหมายสั่ก็ได้นะครับว่าวิบัติที่ก่อนคืออะไรครับเกิดอะไรขึ้นขัาวิบัติทีกรเนี่ยเกิดการทะเลวิวาสกันเรื่องอะไรครับเรื่องธามวินัยเรื่องธรรมวินัย ต้องนะครับอารปตาที่ก่อนนะครับขามีที่สุดต้องอาบัตนะครับอันนี้กิจจากที่ก่อนครับมีกิจที่สองจะต้องทำใช่ไหมก็ได้แก่พากกรรมสีอย่างนะครับอันนี้เนี่ยหาไปข้อไหนหรือหาไปข้อไหนไม่มีครับมันต้องอธิกรณ์แน่ตอนท้ายนะครับ มหายไปอย่างนั้นบอกมีบ้างก็แล้วต้องอางบัตรก็แล้วสั ง, งกัดรมไปแล้วหายไปอย่นั้อะไรก็ต้องมีบ้างแค่ก่อไม่ว่างกแล้วไม่ <c oughs> ไมใช่อมุลหามีไห น, น่ะ <c oughs> อันนั้นสมถะนะครับเป็นเครื่องระงามนะนี่หนูตัวที่ก่อนครับ รเอาถ้าเนภาษาบาลีไม่ได้ว่าภาษาไทยก็ได้ว่าทิ่กอ่องตัวเนี้ยที่เราเนืเ่องมาเกี่ยวกับเรื่องไหนะที่หายไปเนี่ยก็เกี่ยวกับรอบวิบากเอาไปแล้วการต้องอาบัตก็ไปแล้วสารกรรมก็ไปแล้วมันมีอะไรสั่อย่างเกิดขึน้นเนี่ยเรียกได้ว่าที่กอ่อนกันนะ ให้ให้นะครับอะไรก่อนก่อนเอาจังนะครับได้รูต่างอย่างดีแ้สมผั ไมเปิดแมไมให้เปิดยงไม่เปิดก็ยังร้องแ่กไม่เอาเลยสิมากินขาหนังไปนอกจากการทัอนวิวาฒแล้วมันเกิดอะไรอีกอ่ะอันเอาไปแล้วว่าอนปตติกรนอกจากการทัศวิวาแล้วเกิดอะไรขึ้น นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน น, นั่นเนี่ยเรื่องนี้นะคะะรับไอนะเปรียบกับสองช้อนบอกว่าอะไรเมื่อกี้ชาอว่าโจดผ้ า, หารหันคมีการโจดกันเกิดขึ้นนะครับจะโจดผ้ า, หารหันไม่ละหันก็แล้วแต่นะนะครับมีการโจดการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะครับอันนี้นะเปรียบอะไรนั่นเข้ไปอนุวาทาที่ก่อนนะครับต้องนะครับ นี่นะอนุวัติที่กรมีการโจกการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะครับไว้เลยนี่นะบานสีก็ยังมีนะมีบ้างนะคะอันนี้วันนี้ก็ยังมีเลยเนี่ยวันวันพวันนะใช่ไหมก็ยังมีเลยโจกแกจเอดอันนั้นแหละเาเียกว่าอนุบัติทก่อนนะมีการโจกการฟ้องร้อง ขณะการดาเขาเอานะเรื่อเรื่องอาบันิทีเกิดขึ้นนี่ น, าา น, นะนนนะต่อไปนะครับข้อสิบเดอ่ะเดี๋เดี๋ยวเาแก้ของแก้นะเมื่อว า, านนี้นนะคุณนะเ ก, กี่ยวกับการแสดงคากรรมสุกขามนะครับพิสุจะ ต, ตอ้องอาบัติได้ทั้งสองกรณีเลยนะแสด ง, งคำกรรมาสุกขามได้อย่างมากหกบทใช่ไหมครับที่เป็นบากคาถาก็หกบาทไม่เกินนี้ ที่เป็นคําธรรมดาร้อยร้อยแก่ใช่ไหมก็ไม่เกินหกบทนะครับภาษาบางดีนะอะจะต้องอา่านบทกี่ตัวก็ตามจำนวนบทที่มันเกิดมานะครนะับอันนั้นแล้วก็ตามจำนวนผู้หญิงด้วยนะมีการต้องอา่านบทนะครับตามจำนวนบทที่เกิดมาด้วยแล้วก็ตามจำนวนผู้หญิงด้วยทั้งสองแบบ น, นะครับอันนี้นะขมผู้เสิร์ให้มาว่าผู้หญิงไม่ชัดดีต่อไปนะครับอธิการณ์สมถมีเจ็ดยาง อะไรบ้านนะครับให้บอกมาก่อนแล้วก็อธิบายมันทีหลังได้นะครับน่าไม่ครบเจ็ดก็แล้วกันครับหนึ่งครับสามุขาวินสีวินเยวีสิกาสแล้วส่ะอัวินอมโมวิแล้วอันเนี้ย สัมผธาวิไนสติวิไนอามุนหาวิไนเยปุยสิกาสีนวัตถานการสุดห้านี่ครับอันได้ห้าได้ห้านะครับนี้นี่สองครับตัสสปาสิยาสินวัตถาอีกขาอะไรนะคราบไมได้แค่สัมผธาวิไนสติวิไยอามุนหหาวิไนครับ เยปียส um, ิกาตัสสักตาสิยสิกาครับแล้วก็สีนวัตถารก็ถูกต้องครัต้องเอแล้วก็ปฏิญญานะปฏิญญาต่ากันนะต้องปฏิญญากาะคุครับสำขามิโยทาตโภสติมิโยธาตโพอัมมิฐานิโยธาตโพปฏิญญาญากการต่ำพังเยปุยสิกาตัสสักตาสิยสิกาสีนวาตถารโกติอืนะครับ เด็ดนะ้องนะครับจอที่บายมาแต่ละอย่างเป็นยังไงครับนี่นะเอาสมมุขถานวินันก่อนครับสมุขฐานวินัยที่การหน้าจอหน้าครับการละหน้าี่กองพี่อาศัยความความอะไรความพร้อมเพียงหรือความพร้อมหน้าสี่อย่างครับคือพร้อมหน้าพร้อมหน้าสองครับพร้อมมงคลครับพร้อมหน้าทํา คำแนินยถูกต <rees an> <Oliver> <floor> right. no, ้องนองเรานี้เป็นคำถามวินัยต่อไปครับสติวินัยสติวินัยคือจดผ้าสติวินัยคือจดผ้าอาหารไม่ใช่คบถูกต้องของเขาการสวดสมมติจะไม่ให้สมมติแก่ผ่าถุงจดนะครับเอาปัญหาวินัยครับ ให้ผิวผู้บ้าแล้วก็หายม้าแล้วที่อะไรที่ถูกโถมเหมือนกันถต้องนะครันแล้วก็อะไรครัเพี่ปติญญาใช่ไมปติญญาญาทะเลตพังังไงครับคือปิญญาตอน้ปิญญากระนเป็นยังไงครับการักรแล้วก็เอคาการอกรด้วยการอะไรนะ รับปฏิญญาของผู้ต้องอาบัติครับเขาเรียว่าอะไรปฏิญญาสาคนานะั้นรับกระทํานะครับกระทําตามปฏิญญานะครับการละก็ที่ก่อด้วการกระทําตามปฏิญญาอันเพราะว่าเมื่อเขาบอกว่าอะไรนะอ่ะปะาปัสสะพันเตสาปฏิโยถ้ามเจริญข้าพรเจ้าผู้อาบัติเหล่านั้นเข้าปฏิญญาใช่ไหมเราก็กระทำตามปฏิญญาว่า อายุติงอวุโสสังบรุระยาสีผู้มีอายุท่านพึงระลวงในการต่อไปนะครับเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นปริวาสนะครับการปริวาสอยู่ปริวาสนะตอนไหนที่เรียกว่าปฏิญญาตอนไหนเรียกว่าปฏิญญาตัดฉะนั้นตอนขอปริวาสเี้ว่าปฏิญญาเนียว่าตอนอาบะแล้วตอนที่ทําตามปฏิญญาตอนไหนครับที่ทำตามิญญาคือพิสูจน์ที่ตามญาติแล้ว ตอนสวดให้อันติวใช่ไหนครับชื่อว่าทาตามปฏิญญาถูกต้องนะครับเยคุยสิกาครับเยคยสิกาครับการนะ้รับที่กรวยใช้วิธีแบไหนครับเยิกางข้างมาครับดยใช้เสียงข้างมากเราอาใช้เสียงข้างมากอาศัยเสียงข้างมากเขาทำไงครับเขายกมือหรือเปล่า แค่จับสลากนะครับสีเขียวสแดงสีเหลือแล้วก็ไม่มีสีอันหนึ่งแล้วก็กฤษบอกูพิสูที่ตั้งอยู่ในถ้ำมันไม่ได้สามวิธีด้จับสลากบอกว่าจับสลามแบบอะไรครับแบบต่อนอืบไปเิดยปัญหาทีละรูปทีละรูปเรื่องแบบก่องปิดใช่ไหมครับครับ แล้วก็แบบเปิดเผยคือมรรคทา่สองแล้วก็แบบแบบแบบกระซิบคุณครับต้องนะครัลักษณะไหนที่ที่ต้องจักษาปกปิดเนี่ยจักษาปกปิดเพราะอะไรถ้าถึงต้องจักษาปกปิดคือการะพฤกาเลเยอะปิส์อ่านมเยอะถ้าะชีเยอะใช่ไหมคะับปิสุทธิละชีเยอะต้องจักสนทนปกปิดนะครับ แบ่งเปิดเผยเป็ยังไงครับแบ่เปิดเผยกับผอ้รับชีพน้อยกว่าอ๋อพวกลัคชีเยอะใช่ไหมครับก็เปิดเผยไปเลยถ้าแบ่งกระชีมันน้อยกว่าอาจารย์พูดผิดเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้อาจารย์พูดเพราะว่าผู้รับชีผู้ับับชมากคช่มครับรับชีรับชีไม่ใช่รับชีครับแล้วก็อะไรนะแบ่งกระซิบอกนี่กระซิบบอกเนี่ยเพราะว่าอทำเยอะกว่า ผัวทำกับผู้่านหนังสือหาลชีนเอาไปเลยนะครับอันนี้อีกแลบนะหนาคนนีูุ้นแรงก่าผัวละชีนนี่ครับพี่บอกว่ากนหลุดร้ายได้ครับเป็นไปสุขานใช่ไหมครับมากนะครับต้องการซิมบอกที่ถึงต้องนะครับอันนี้นะ แล้วก็ตัศปปาปิยาสิกาครับตัศปปาปิาสิกาเจือในเัือติละติละ ใ น, นอข้อหนึ่งพี่สุพุทธนะครับพี่สุประธานนะครับมันมไม่ใช่ไม่ใช่พี่สุผู้ชั่วช้าพี่สุผู้ชั่วช้าไปไหนครับไปใหนข้อนี้ไปชั่วช <c oughs> ้าไปทำอะไรไม่ใช่ไม่ใช่หนักขน้นหนักขนาดนั เกี่ยตผู้ช่วยชาครับเชื่อชาติะไรเดี๋ยวตามหลักของคนอื่นชาตนี้อโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นักนั้นอีกนักานันอีกแบบนัก่านครับเกี่ยวเกี่ยวอี ทำมาแบบหนักแล้วก็ปลับคำนออออใช่ไม่ยอมรับอาจจะปาราชีกหรือว่าเฉียดปาราชิกแล้วใช่ไหครับไม่ยอมแล้วก็ถูกสอบสวนไม่ยอมรับใช่ไมครับรับ้าม่ทั้งกลบเกลื่อนกลเกลือนใช่ครับจะกลบเกลือนกลบไปกลให้การกลับไปกลับมาใช่ไหมครับรับแล้วก็ปฏิเสธปฏิเสธแล้วก็ครับ ต้องนะครับแล้วก็ปรสงจะทําไงครับประสองทงําำยังไงก็ประสงต้องจงหาพิสูจนรูปทรงริมใดตัดสินใดนะต้องไปหาอันนี้ไม่มีใครเขามีจับกล้องแล้วมันจ ะ, ะมันไม่เห็นกันจ่าๆน ะ, ะได้เห็นแต่ว่าพราะกับผู้หญิงเข้าไปในห้องเดียวกันแล้วก็มีเสียงอะไรไม่รู้เพราะก็เลยสงสยัยว่เ้ยเนี่ยคนขึ้นอ่าประสงจะทํำยังไง ใช้วิธียังไงส่วนนะครับมาสองส่วนนะครับส่วนอืมสายส่วนตัดตาตาศยลกิกรรมครับส่วนตัดตาตาศีลศิกรรมด้วยเข้าใจว่ายังไงครับถ้าแกยังไม่ต้องประราชิชแกต้องทำยังไงครับแกจะบื่อไปต้องทินต้งคิดก่อนต้องคิดก่อนค่อยคิดนะเนี่ยเพิ่งตอบนะครับเจ๊ ก็สองขีดแน้วก็เกาฑ์คนขีดอือหอแล้วพราะว่าแกไม่ยอมรับง่ายใช่ไหมแล้วก็ลงกรรมด้วยเข้าใจว่าอย่างนี้ว่าถ้าแกยังไม่ต้องประราชิแกก็จะต้องเปรี้ยวค่อยๆค่อยๆไหมแกจัแกจัดขีดนะอือได้ได้ขอเข้ามาแกก็ต้องมาขอความสมใช่ไหมแกก็ต้องมาคุชอบนะครับ เพื่อเขาส่งอะรนะครับมารับรับข้อมูลเพื่อส่งรับข้อมูลเหมือนเดิมข่าวพาอุ่นสำนักต้องครับถ้าแกเป็นประธาชิล้วแกต้องต้องไงต้องแก่เน่าต้องเป็นรับก็ให้แกอะไรนะตาต้องเป็นเน่าต้งดิบใช่ไหมครับหรือแม่แกชิบหายวเองนะท่านก็จะต้องชิบหายท่านตัวเองใช่ไหมครับ ได้ไง e. ครับทิมหหยนะคือไม่เจริญครับได้แต่บาคปคือสมไปเยอะแยะครับ<ส>มันมบาปที้ห ร, รือหูยลำบากคือยอมว่าก็รู้ว่าเขาไม่รู้ทําอะไรดีครับถ้าก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้นะคงรู้จะทํำยังไงดีครับก็มีผู้หญิงไปอะไรอย่างนี้แหละครับก็รู้เห็นกันในหมู่บ้านก็รู้กันนะแกะื่มละอาอะไรจะมาข่าแท็กซี่แล้วก็มา มันบ่นให้ฟังครับโอ้ขาว่าแกงนี่ไม่ไหวก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ไปฟ้องเจ้าพนองเจ้าคณะอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าพัวเดียวกันก็ไม่เอาเรื่องนะก็ไม่เอาเรื่องข้าวมุ่งี้ครับพอาพัวเดียวกันชาวบ้านก็เอือมอ้างไม่อยากจะเข้าวัดนะครับลําบากอะไรนะต่อไปนะครับถามต่อไปว่าอภิกรั อธิการนัสมถะแต่ละอย่างแช่นักอาธิการอะไรเรื่องบ้างจงบอกมาครับเอาสมุขขานวินัยนักกรรมได้กี่ย่ครับนักอธิการทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครัแล้วก็สติวินัยครับคือข้ออะไรครับอนุวัตอธิกรอ์อุปถามวินัยน่ะคืออธิกรเหมือนกันนะครับอ่าปฏิญาติคณะนะครับ กะทำตามปัญญาทำตามปิญญาอย่างเียอย่างเดียวเาคืออนะที่กรข้อไหนครับทำตามปญญาเนี่ย่างที่กรข้อไหนครับนั่นเกี่ยง ต้องมาเหลือที่กอรเนี่ยว่าไอ้ตัวนี้นะครับกอรนี่ข้ออะไรบ้างครับอ้าปาตาอาปากตาที่กอร์ครับต้องนะครับยั้วกเป็นคำตามเิ็งเนี่ยนี่มิกิมันได้หนใจเปล่าแล้วเี่ยอ้าปากาว่าจันะว่าจังนะ้องรีวะรว เอาปัสสาปาฏิยสิกานครับไม่งั้นอาธิกข้อไหนครับปัสสาิยสิกาก็อาธิกรที่ที่รู้ทัานะเน่อนุวาธาธิกรปัสกาธิกรเหมือนกันนะครับอนุวาทาธิกรด้วยหือเ่าพท่านแก้วถึงจบใช่ไหมครับแน่ใจกนุวาธาธิกเนี่ยไปดูด้วยนะ ไม่แน่ใจอ่าละครับใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องนะครับเป็นีบีอัปปัตตาธิกรกับอะุวาธาทิกรอ๋อใช่อารปตะใช่ใถูกต้องครับกับอนุวาธาสองสองอย่างครับใช้ตัดสปาคุยสิกาได้เพแกต้องอาบัปตะแล้วก็โจกใช่ไมครับส่วนเยคุยสิกาครับใช่เยคุยิช้นาอกกรแบบไหนครับข้อไหนเยคุยสิกาที่วาเสทมากนะก็อนุวาธาทิกรด้วย โอ้ไม่ได้ครับแม่ไม่ได้เลยใช้เสียงข้างมากใช้เส gone, <S <S <S <s <s <S ียงพยัญชนะที่ก่อนนะครับใั้เงื่นงำวาฒนที่ก่อนนะครับเสียงข้างมากนะครับที่เป็นธรรมวาทีด้วยใช่รับสุดท้ายสินวาตาละกาเงื่อนงำวัตุกรข้อไหนครับตึนงาะาละกาวินายี้ตื้อไม่ถึงอะไรับ ติณติณนวัตารกขิกอออย่ามาแตะที่บ้านเลยคนี้อะที่บ้านกอ่าแตทีบ้านภาสาลกกาคืออะไรก่อนนะติณนรัติณนวัตารกติณนาลกติแปวาคือคภาษากาอสไรนติณน้าไงตน้าแปลว่าอะไรติณเนชาครับ าตีนั um> ่งวัฒนการ ไ็ไแกถามอะไรเอาอาิีิมาสีน้มันาละกันก่อนท่านเลยแล้วค่อยบอกว่าสีนมันขาละกันและงที่ก่อข้อไหนครับอ๋อเหมือนกับทับยาใช่ไหที่เหมือนกับกลบยาใช่ไหมยากรบการงานที่ก่อที่เหมือนกับกรมไว้ด้วยยา มันเกิดอะไรขึ้นใช่ใช่ใช่อะไรแต่ย่าเป็นสองขับสองฝ่านแล้วทายังไงบ้างครับเออใช่ใช่ช่วงนี้เมื่อมาต่างต่างต้นพืชไม่ดีใช่ไหมครับทั้งที่พยายามกล่าวด้วยวาจาพญายามทำด้วยกายนะครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้น พอทะเลาะอะไรกันเงี้ยแล้วก็เปิดอะไรไม่ดีกจะตตีครับไม่ไม่ใช่อ่าหมายความว่าทาอย่างงั้เสรหมดแล้วนะครับต่อมาเกิดอะไรขึ้นอีกเกิดความละอายเกิดความละอายนะครับัแล้วทยงเข้าคิดว่ายังไงครับคิดว่ามันเปิดพยายามมันมนโจกกันเลยอย่างนี้หรือคิดว่าทเปิ ก่อนก็จะอะไร น, นะก็กำเริบขึ้นมาอีกนะครับเรื่องเล็กก็จะ เ, เรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกใช่ไหมมันจะไม่เนียไม่ง่ายเขาก็เลยให้ใช้วิธีนี้ใช่ไหมครับกดไว้ด้วยยากดไว้ด้วยยาวิธีทาทำยังไงครับเขไม่ได้ไม่ไ้เกี่กับขนยาอะไรนะโแก้ำนครับ้ <c ười> องปั๊ด อ, นะ อ, อืมเอาว่าขั้นตอนที่มัาจะระ ง, งับเลยรแต่นั้นแต่ว่ า, นะาเราคุยกันเรียบร้อยแล้ว ข้าวที่ประชุมสงและทำยังไงครับทีนี้ส่วนนะครับส่วนเดียวส่วนห้ารอบครับมันจะ่ห้ารอบนะห้ากรรมวาจานะครับห้าครั้งครั้งแรกเป็นยติยติกามที่สองประกาศกันนะครับครั้งที่สองก็ยติกามีให้ฝ่ายที่หนึ่งประกาศก่อนทีมันเราครั้งที่สามยติยติกามีนะครับฝ่ายที่สองนะครับต่อมายติปิยกรรมฝ่ายที่หนึ่งะครับส่วนไป เราิษย์กษยกรมข่ายที่สองส่วนไปครบห้ารอบนะครับหรือาอาบัตตั้งแต่ บ, บวดมานะครับเว้นปาราชิสังคาทิเศษอาบตที่ เ, เนินในคฤหัสถใช่ไหมที่เหลือนะหายหมดเลยนะครับอันนี้แน่ว่าแล้วครับอธิกรข้อไหนครับาอาปราทกนะครับถูกต้องนะครับทาทิกรไ<ห>่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่ใช่ม่่ไม่ใช่่ใ่ไ่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่่ มันไม่ใช่การมันข้อดีนะคะนนรับมึบงเตะในอากาศทะเลาะวิวาะไม่ได้นะครับอันนี้หมายความว่าเขาคืนดีกันได้แนละ้ว mm hmm. เขาละอายแล้วใช่ไหมครับตอนหลัง น, นะเขาละอายใจแล้วนะครับแต่ต้องการที่จะคืนดีกันก็เลยใช้วิธีนี mm ้ hmm. ต่อไปเกี่ยวอับทีนี้นําอย่างนี้บ้างก็แล้วกันว่าที่กองข้อแรกนะครับวิราทานที่กรองเนี่ย ใช้สมถะแล้งกี่ข้อครับสข้อคือเยปุยสิกาครับแล้วก็สมุขาวิมุขกายวินัยถูกต้องครับอนุบาลที่ก่อนครับใช้สมถะกี่ข้อะครับคือสามถขทา่วินัยสติวินัยสติวินัยติดธรมาติกล่าววินัยไม่ได้จ่อเนอะไม่ได้จ่ เ่าต้นตคียนดานอางูหลามวินัยครับอางูหาวินัยครับอีข้อว่าอีข้อนะครับเอางูว่าชาพิกรแล้วอีข้อหนึ่งแต่สัพยาสิกาสัพพาสถูกต้องครับเอาอาปตาพิกรนะครับแล้วมีสมมติฐานกี่ข้อครับอาปตาพิกรแล้วมีสมมตากี่ข้อ สามขาคือสงถะพินัยเยนี่ไม่ได้หันคนครับอวบไม่ได้ยิดเการปฏิญญาปฏิญญาปฏิญญาปัรญาธรรแล้วก็ตินวัฏฐะตารมะนร้อถูกต้องรับกิจจาพิกรณะครับด้วยท้าถกต้องมัน ยุบยุติการว่างไปแล้วไงที่กรข้อแรกวิปัสส า, าที่กรคำหรือที่ถุงถุงนะต้องทุกอย่างเลยครับจินนามัานกา ร, การกนะครับอัตาทีกรอยู่อย่นครับเิป่อสาธิกรนุทัตทีกรใช้จินนามัธ น, น, นการไม่ได้ต่อไปครับมีอะไรอีกเย อาบัตรที่เฉียดหรือว่าใกล้ต่ออาบัตปราชิกนะครับแต่ละข้อคืออะไรจงบอกมาพร้อมกับอธิบายมาด้วยมาดูปราชิกข้อหนึ่งเนี่ยอาบัตรอะไ ร, ร, ระชื่อว่าเฉียดปราชิกข้อหนึ่งครับอ่าบัตที่กดนะครับคือตอนที่ไปทำอะไรตั้ใจจากที่มีผลซิกขาวคือแกงกัวต้องเหมือนกับพระไอมแกงลตัดพิษ เดี๋ยวผมโชว์เองตอนนี้ก็คือมีนาคือตั้งแต่จะเสร็จไหมแล้วก็เริ่มที่จอดกระบะก็คือตอนที่ไปจากต้องการไปก่อนจุลูกคมอะไรหมดเลยแต่ยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงตอนนั้นอ่ะเป็นอาบัตทุกคนทุกนครับแล้บัตรนั่นที่เรียกว่าเทียตาลาชีพุะครับ ม่งแม้จะทำถึ ง, ถ ง, งเลยนะไอตอนนั้นก็เป็นกฎก่นะครับพอทำไปเลยเนี่ยเสร็จไปถึงไปเลยใช่ไหมแต่นั่นต้องประราชิดเลครับนนอืมออนะอะไรใกล้กับอธินาทานนะคะรับถือวใจถืวใจตอนนี้ให้ี่หลวงเชียรี่หลวงท<ล>ี่ม่อครับตัวนี้เขาต่อได้อะไรใช้ต่อก็ได้ครับใครต่อก็อก ไ, ได้ไ คือแจงตั้งแต่จะรับตยแต่แค่เคลื่อนเคื่อเล็กน้อยตั้เื่อแต่ยังไม่คล่อนจยังไม่เคลื่อนจางใช่นะครับครื่อนเร่อไหน่นทาให้ไหว่ครับทาให้ไหวคือมันใกล้จะสาเร็จได้ใช่ไหตอนนั้นอ่ะไปนามบารอะไรก่อนครับถึงน่ใจเลยครับเป็นเียบประาเฉียบต่อนอถูกต้องครับก็เลยว่าเฉียบประลชี้ข้านั้นส่วนอาขามนุนเลยครับ คุณรูใจเหมือนกันนะครับยก <Okay. S 1> ตัวอย่างครับป็นใจจะฆาแล้วก็ม่ตายอ๋อครับเป็นใจจะฆ่าฆ่าไม่ตายอันนี้ก็รู้ใจนะครับ uh huh. คือก็ได้บ้างนนะยังเวทนาให้เกิดขึ้นแกศ่ศาสตร์นั้นใช่ไหมครับ uh huh. นั่นก็ถืลรูใจครับหรือแ uh huh. ม้ตายนะแต่นะไ uh huh. อตอนที่เขาเกิดขึ้นเวทนานในก่อนนะครับเป็นถือรู้ใจ uh huh. ราะว่าตายก็พราชินนะครับ uh huh. ต่อไปนะครับ อันสุดท้ายครับอุตริมรุสธรรมข้อนั้นรครรมคืออธิบายบูจาอุตริมครับรตอนหนครับโบยเขาฟังไม่รู้เรื่องครับต้อบัตทุละจั่ครับแม่ก็เลยว่าเฉียนปราชิข้อนี้ถูกต้องนะถูกต้องทางนั้ต่อไปนะครับอ๋อนี่ไงมีถามสายเทีเวเยวัาเอะอุเชปตะว่าข้อนึงเนี่ย ถ้าเราพระวิจุตสมเี น, เนนะต้องการจะถ่ายปัสสาวานะครับแต่หาสถานที่ที่ไม่มีของสดเขียวไม่ได้เลยมันมีแต่ทุ่งหญ้าเขียวแต้มไปหมดนะครับควรทำอย่างไรจึงเมาเอาผ้าปู <c oughs> เอาผ้าอะไรปูนีครับเอาผ้ากับกระดาก็ได้ใช่ไหระดาษเสื้อกินนะามือไม่น่าใช่ไครับ แล้วก็ฉีดลงไปนั่วก็เชื่อมครับมันจะไหลองไปโดนหญ้าก็อีเลื่องใช่ไหีแล้วจุลนาข้าวจุลนาที่ให้โดนตรงนั้นครับเป็นธาตุเป็นใบไม้ที่มันหรือว่าฝ่ามึนเลยนี่นะครับจังที่เรารู้ว่าเรียกต้าลงมือแล้วมันกจะไหลลงจากของเกี่ยวนี้ข้าไปครับไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ครใบไม้ก็ะะใบไม้ก็ไเป็นไม้ใบไม้ใช่คร ต่อไปนะครับมองเกินชัว่วแหวนแล้วแว็กบ้านกรณีไหนบ้างที่ไม่ทําไม่ต้องอาบัต <c oughs> มองดูพระาก็เจัดีมองไปะระวังภยนนะะัยทางทางทางทางระวังภัยทางทางทางทางข้ามถนนเป็นต้นนะะี้<ๆ>นะครับทางและอะไรครับแค่เนี้ยที่เหลือก็ไปอานาบัตธรรมดาใช่ไหม ที่ว่าไม่จงใจเผลอสติไม่รู้คุ้มกันครับต้องครับ <c oughs> ต่อไปในข้อสุดท้ายนี่เด็ดเลยนะจะถามว่าอันนี้ไม่ได้เขียนคือคําถามนะครับผมไม่เขียนสรุปแต่ผมจะถามว่าสิก้าบทข้อไหนบ้างครับในเศรษฐีวัานี่นะที่พิสูจนผู้เข้าไปพระในบ้างไม่ต้องอา่านบัตร <c oughs> ครับไมต้องห่มคกายครับข้อที่ไม่ต้องห่มคลุมกายครับ อ๋ไม่มีครับใช่ครับด้ห่มคมเนี่ยถ้าไม่ต้องอาบัตข้อนี้นะครับวอาผ้านะครับได้ครับถูกต้างครับคุมสีสะเข้าคุมสีสันครับได้นั่งกอดเขาไม่มีงไม่ใช่ไหมนั่งกอดเขาต้องนั่งกอดเข่าครับานเยอะแ้านเยอะแล้งานเยอะแล้ว มันอยู่ต้นๆ น, นมันไม่เกี่ยวกับการฉันการอะไรไม่มีนลครับมันอยู่แคต้นๆเนยแหละได้สีในสีนะครับเนี่ยมันจะมีอะไรไม่ได้กี้ย่ะ <c oughs> อะไรนะไม่ได้ห่มกีวอเกี่ยวกับข้ออะไรนะห่มคุมใช่ไหมครับนั่งว่าผ้านะครับอะไรคุมสีตาร <c oughs> ัก <c oughs> ข่าได้สีแล้วครับมันมีอะไรเจ๋งมั้ง <c oughs> ไม่ได้ แปดมีแปดอะไรนะครับโครงกายได้ครับโครงกายหน้ไนครนึงครนคอหนึ่งไม่ได้่นด่โครงกา้รนครนั้นครับูเสียงดังไนี่รนี่ด้วดหรอกโอ้ไม่ีได้ได้แล้วไงเกีวันั ไม่ลองมองมองไม่เอามองไม่เอามันยึดเรื่องถามงัมบอกไปแล้ครับไม่ลองมองเยมองก็ไม่ได้แถวเนี่ยแหละแาวต้น้นะครับไม่ต้องไปทาไกลหรอเกี่ยวกับการแขันเกี่ยวกับสารแขนนี่ไม่เกี่ยวนะเพราะนั้นตัดไปได้เลยเกี่ยวเรื่องโพชนาต่างตัดไปได้เลยครับไปนั่งก็ไม่เว้นนะจีบองไม่แก่ คิว่าเอาไปแล้วครับสองข้อนะครับได้ห่งคุม้มนั่งว่าห้าค่ะได้โครงการหงข้อนะมีตสักสามข้อใช่ได้เลยอีกสักสาข้อแล้วหรือข้อนกล่องไหมในกล่องไหมในเนคอมแฟรมีอะไรบ้างอะ ว่าต้นรอว่าทุ่งต้นครับว่าต้นเ่อครับเสกีว่าคขาว่าท่งต้นนะแต่ออว่างครับครับใชใช่สองว่างนะครับกะอไม่ใช่ม่ใก็กริมมานา้าว่างนะครับว่างที่หนึ่งแล้วก็ช่กะว่างสองวงนะครับแล้วก็ว่าที่สามคประกาศตามว่างนะนะครับอีกว่างหนึ่งนะ อันนี้อะไรอีกไม่ไม่มีฮะคุณว่าหมดละคุ้มศีราอะไรนะหมดละไม่มีละโอ้ไม่บอกเกี่ยวกัเกีกบอันนี้เขาบอกนั่งหน้าผู้เข้าไปนั่งนะคในบ้านก่อนขาแไปแล้วก่อนขาไปแล้วครับคุมศีรษกตอนเข้า ผมอะไรนะ่าคุมนะครับนั่งค้ากายนั่งขา้ากายครับได้นะครับอีข้อนี้ท้าแสะเอวใช่ไหมได้นะครับโครงกายได้แล้วอีกแค่สองข้อก็สองข้อมัอยู่ใกล้ใกล้กันรวบสามข้อจำอะไรนะ <Okay. S 1> โอ้ไม่น่าข้อหานะไม่ไม่ต้องไปหานะ สถานนี้ไม่ใช่เงือไหลแล้วเนี่ยต้เดือนนี้เงืองันกค่ไหไม่เห็นนอนครับมิชาั่นที่กาหัวเราะเสียงดังเนี่ยว่งนั่นแหละเอาว่างนั้นนะใช้กับว่างนะครับ แต่หัวอเสีดัง้ไม่ได้เอาวักนั้นเลยวักที่สองนะครับเปิดที่บนสวิตเด่ไปเอาเปรียบเพื่อนนั่นเลยไม่ใช่ที่ฟาเซล่าต้องอุปติอะไรนช่ครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวน่แหละอันนี้ก็พูดถึงนั่งทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับพวกนี่เหองเกลีเตา ไม่ได้หัวเลาะเสียงดังเราไม่ได้พูดเสียงดังก็าไม่ได้ ส, ดไไดสุดรงข้า่าบสเีวนะพ่อสดรงข้างนะนั่นไปเอยนั่งคอยขางมันได้ก้าวโครงกายครับมันรวมสามพ่อแล้วนะ โครงกายแล้วก็อะไรอยกยน่าเยน่างกียใ ช, มใ ช, มใช่มันมอำนอ่กลยอะไรนะรักเขากัแล้วอยู่ใกล้โครงกายหาข้อข้างนั้นเลยโครงศีรษะโครงศีราะอยู่ไหนอไม่เห็นเลย อ๋อท็อปอธิษฐานนะเออมันน่าจะได้นะ่าอาจารย์เกิดข่ัยอันน <st> ี้ดูตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่มีบอกตอนี้ไม่มีบอกไ <c oughs> ม่ใช่นังสือผ ม, ผมไม่ได้เอามา <c oughs> สันส่นทิศสานน่าจะได้นะนผมไม่ได้เขียนไว้นพตาะนั้นนะนนมันมยืน<อ>ใกล้กันนะอยู่ใกล้ใกล้กันนะชอปตอนั้นนะประยุทธ์ไง ยยได้สิแกกันนะครับอืมได้จะได้จะดูให้แน่ใจดีนะ อ, อ๋อโดนบอกแล้วยืดออกไม่มีนะครับเมือ่อ <c oughs> ก่อนัะแจกใบหรืองใ บ, บแดง น, นะสมัยก่อน <c oughs> เวลาสอบไงเวลาสอบใครถามกันน่ถามทั้งแรกยู่ตดนเบเหลืองพอถามทั้งที่สองแ้วไมได้บาลียังไมถามครับตงขามีกถามกันออใช่ใ่อธิษฐานได้อีิษฐนได้นะครับนะโครงกายโครงอธศีฐานได้ ก่อยแขนนะครับถ cool. so ูกต้องมันต้องก่อยแขนนะครับก่อยแขนนะครับเดข้อจากไม่ได้ทำไม่ได้นะอันนี้ครบแล้วนะครับครบแล้วนะมันจะมีอะไรนะสามารถเปิดกายได้นะครับมาเวิร์ค้าได้นะครับน่าเวิร์ค้านั่งโยกกายนะครับก่อยแขนก่อนก่อยแขนก่อน นันขมสีสานะครับเท้าเสเอลคุมสีสารแล้วก็รัดข่าครับข่าแปดข้อนะครับหมดนะครับ